บทนำสังคมของเราถือการกระทำทางร่างกายเป็นใหญ่ดังนั้นเมื่อถึงเวลานอนหลับเราก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้ทำอะไรในระหว่างที่เขานอนหลับนั้นจะเป็นเวลากี่ชั่วโมงก็ตามเราก็ถือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยนอกจากนั้นเรารู้อยู่ว่าเมื่อเวลานอนหลับเราก็จะต้องฝัน แต่เราก็สอนลูกสอนหลานว่าความฝันทั้งหมดเป็นเรื่องเหลวไหลไม่มีความจริงเป็นแก่นสารเหมือนเหตุการณ์ในชีวิตของเราในเวลาตื่นซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งหมดจริงอยู่จิตแพทย์และนักจิตวิทยาอาจถือว่าความฝันเป็นเครื่องแสดงถึงสภาพอันผิดปกติบางอย่างได้บ้างแต่แม้อย่างนั้นฐานะของความฝันก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่มีความจริงอยู่นั่นเอง พูดตามศัพท์สมัยปัจจุบันความฝันก็คือข้อมูลจากภายในที่เครื่องคอมพิวเตอร์คือสมองมนุษย์ส่งแปรรูปออกมาให้เราเท่านั้นทีนี้สมมุติว่ามีคนคนหนึ่งบอกเราว่าเมื่อคือนก่อนนี้เขาได้เกิดความรู้สึกในขณะนอนหลับว่าเขาได้บินไปเหนือนครนิวยอร์กในตอนนั้นเขารู้สึกอย่างแจ่มชัดเลิเกินว่าเขาได้ลอยไปจริงๆและมันเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนเลิเกิน จนเขาจะต้องจำไปจนตลอดชีวิตทีเดียวส่วนมากของบุคคลในสมัยนี้ก็คงจะบอกเกี่ยเขาอย่างสุภาพว่าน่ากลัวสมองของเขาคงจะมึนเพราะทำงานหนักมากไปดังนั้นเขาควรจะไปปรึกษาจิตแพทย์ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่กล่าวนั้นหรือบุคคลอื่นๆที่มีประสบการณ์ดังที่กล่าวนั้นถ้าเขาเป็นคนมีความคิดรอบคอบอยู่บ้างก็คงจะต้องคิดว่า ต่อไปอย่าบอกเรื่องเช่นนี้ให้ใครฟังเสียเลยจะดีกว่าหรือมิฉะนั้นบางคนก็อาจจะเชื่อเลยก็ได้ว่าเขากําลังจะมีสติไม่สมบูรณ์เสียแล้วทีนี้สมมุติอีกว่าบุคคลนั้นกล่าวต่อไปว่าในระหว่างที่เขากําลังรู้สึกตัวว่าลอยอยู่เหนือนครนอิวยอร์กนั้นเขาได้ลอยลงมาและได้เข้าไปในห้องที่ท่านอยู่และก็ได้เห็นท่านกําลังทําอย่างนั้นในเวลานั้น หรือกำลังพูดอยู่กับคนอื่นซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นโดยได้คุยกันถึงเรื่องนั้นๆซึ่งเป็นการถูกต้องจนิดที่ท่านเสถียรไม่ได้เลยดังนี้ท่านจะทำอย่างไรหรือจะลงมติว่าอะไรดีบอกให้ก็ได้ว่าในกรณีเช่นนี้คนส่วนมากในสมัยนี้ก็คงจะท่องคาถาซึ่งเขาชอบอ้างเสมอในเมื่อหมดหนทางคัดค้านหรือเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนั่นเอง เนี่ยแหละคือทางออกของบุคคลส่วนมากในเมื่อเขารู้สึกตัวว่าจนมุมหมดทางคัดค้านในเรื่องที่เขาเคยคัดค้านมาแต่เดิมคําตอบที่ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะจึงเป็นคําแก้ตัวสําเร็จรูปที่ใช้ได้ในทุกโอกาสแต่นั่นแหละเป็นโชคไม่ดีสําหรับบุคคลที่ชอบแก้ตัวดังกล่าวแล้วเพราะเรื่องที่ข้าพเจ้ากล่าวสมมุติขึ้นข้างต้นนั้นความจริงไม่ใช่เรื่องสมมุติ มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เป็นปกติธรรมดาคือไม่ได้เป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้านับเป็นจำนวนพันๆดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้ากล่าวข้างต้นนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สมมุติฐานเท่านั้นความสามารถของบุคคลบางคนดังกล่าวข้างต้นนั้นมีศัพท์เรียกกันว่า traveling clairvoyance คือความเป็นผู้มีตาทิพย์ในระหว่างการเดินทางบ้าง astroprojection คือการถอดกายทิพบ้าง หรือถ้าจะใช้ศัพท์ให้โก้เพื่อให้เป็นวิทยาศาสตร์สักหน่อยเขาก็จะเรียกว่า out of the body experience คือประสบการณ์นอกร่างกายเขียนย่อว่า OOB E หรือ OBD ประสบการณ์ชนิดนี้เราอาจที่คำจำกัดความได้ว่าเป็นประสบการณ์ซึ่ง 1. บุคคลผู้นั้นได้ไปเห็นสิ่งแวดล้อมในที่อื่นซึ่งไม่สามารถจะเห็นได้จากร่างกายของเขาในตอนนั้น 2. ประสบการณ์นั้ น, น, นมีความแจมชัดย่างยิ่งและบุคคลนั้นในระหว่างนั้นก็รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเขาไม่ได้ฝันแต่ว่าเขาได้ไปเห็นด้วยตนเองจริงๆโดยเหตุผลเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่โดยความจริงในตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าต้องเป็นไปได้เพราะเขามีร่างกายซึ่งมีประสาทสัมผัส พ, พร้อมบริบูรณ์ข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ แม้เมื่อเขาตื่นแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ฝันคือว่าเขาได้ไปในที่นั้นด้วยร่างกายอีกร่างหนึ่งจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะอธิบายปรากฏการณ์เช่นนี้ให้สมเหตุสมผลได้อย่างไรแน่ละ่ะเรื่องเช่นนี้เราจะอาศัยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นที่พึ่งยอมไม่ได้เลยเพราะผู้ที่คิดว่าตนเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็แสดงความไม่สนใจ เรื่องเช่นนี้ก็เหมือนกับปรากฏการเกี่ยวกับเรื่อง extra sensory perception ประสบการณ์นอกเหนืออินทรีย์เทเลพธีการทายใจ p r e c o n i t i o n การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและไซโคคินเนสิตการทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยกำลังจิตเป็นตน้นเรื่องเหล่านี้ทางวิทยาศาสตร์ลงมติเอาดือด้อว่าเป็นไปไม่ได้คือเหลวไหลไม่ได้เรื่อง เมื่อเขาฟังหัวลงไปในด้านนั้นเสแล้วเขาก็ไม่ขวนขวายอ่านเรื่องราวอันเป็นประจักษ์พยานแสดงว่าเรื่องเช่นนี้มีเกิดขึ้นได้จริงๆเมื่อไม่ขวนขวายเลยด้วยความลำเอียงเช่นนี้เขาก็ได้ชื่อว่าตัดโอกาสของตนเองที่จะรู้และเข้าใจเรื่องเช่นนี้ได้ดีขึ้นและเมื่อตัดโอกาสของตนเองด้วยความเต็มใจแล้วความเชื่อด้วยความลำเอียงหรือชิงชังของเขาก็ยิ่งแน่นแฟ้นทาให้ฟังหัวลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก เหตุผลของเขาจึงเกี่ยวเนื่องกันเป็นวงกลมโดวยวิธีดังกล่าวมานี้ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอันหมดทางแก้ไขปรากฏการทางจิตเช่นที่ว่ามานั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่ลี้ลับดำมือดอยู่เช่นเดิมทั้งทั้งที่ความจริงควรจะได้มีการศึกษาและสนใจกันอย่างกว้างขวางมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มากอันที่จริงแม้จะไม่มีคารับรองเป็นทางการจากวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่จากการศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดเราก็ได้ความจริงอันเป็นหลักการใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้ 1. ประสบการณ์นอกกายเนื้อดังกล่าวมาแล้วนั้นพูดได้เลยว่าเป็นความจริงสากลประกรหนึ่งทั้งนี้เพราะนอกจากว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่คนเป็นจำนวนมากแล้วยังได้เกิดขึ้นแก่คนทุกยุคทุกสมัยตลอดเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกไว้อีกด้วย บุคคลต่างๆเหล่านั้นแม้จะมีวัฒนธรรมหรือสิ่งอื่นๆต่างกันอย่างมากมายก็ยังมีหลักการที่เหมือนกันได้ในส่วนใหญ่หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่แม่บ้านในเมืองแคนซัสในอเมริกาสมัยปัจจุบันนี้ก็มักจะมีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันกับเรื่องชนิดเดียวกันที่ได้เกิดขึ้นแก่คนในอียิปต์หรือในประเทศอื่นๆทางภาคตะ ว, วันออกในสมัยโบราณ สโดยปกติปรากฏการเช่นนี้มักเกิดขึ้นแก่บุคคลเพียงครั้งเดียวในชีวิตและก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญซึ่งมากกว่าบางครั้งก็เกิดจากความป่วยไขย้ซึ่งมักจะเป็นรายที่เกือบจะถึงแก่ความตายในบางรายก็เกิดจากความเปรียดทางอารมณ์อย่างรุนแรงแต่ในบางรายก็เกิดขึ้นในระหว่างบุคคลนั้นๆกำลังนอนหลับซึ่งเป็นการเกิดขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ แต่ยังมีส่วนน้อยเหมือนกันที่เกิดขึ้นด้วยความจงใจของบุคคลนั้นนั่นเอง 3. ตามปกติประสบการณ์นอกกายเนื้อนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของบุคคลผู้นั้นและก็มักจะทำให้เขาต้องเปลี่ยนความเชื่อเดิมของเขาด้วยอย่างชนิดกลับหน้ามือเป็นหลังมือ ผู้ที่ได้ประสบเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยตนเองสักครั้งหนึ่งแล้วมักจะกล่าวว่าต่อไปนี้ฉันไม่ต้องเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องวิญญาณคือหมายถึงโดยการอ้างยิงจากตำราหรือผู้อื่นอีกต่อไปแล้วรอบบัดนี้ฉันได้รู้ด้วยตนเองว่ามันเป็นความจริงอย่างแน่แท้สําหรับบุคคลเช่นนี้เขาถือว่าเขาได้ประสบความจริงด้วยตนเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเขาสามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ได้ โดยไม่ต้องอาศัยกายเนื้อที่หยาบร่างนี้เลยก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็หมายความว่าเขามีวิญญาณซึ่งไม่ได้ตายตามร่างกายเนื้อนี้ไปเลยสำหรับผู้ที่ไม่ยอมเชื่อก็คงจะมีการขัดคอต่อไปอีกว่าถึงอย่างไรอย่างไรประสบการณ์นอกกายเนื้อเหล่านั้นก็ยังเกิดขึ้นในระหว่างที่กายเนื้อนี้ยังไม่ตายก็ยังต้องอาศัยกายเนื้อนี้เป็นรากฐานหรือเป็นหล่งกาเนิด น, นั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อกายเนื้อนี้ตายแล้วประสบการนอกกายเนื้อดังกล่าวแล้วจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือในที่สุดก็จะต้องดับศูนไปพร้อมกับกายเนื้อซึ่งเป็นดินแดนเกิดนั่นเองสําหรับคําขัดคอเช่นนี้ข้าพเจ้าก็เห็นจะต้องกล่าวว่าเป็นเหตุผลของผู้ที่ยังไม่ได้เคยประสบมาด้วยตนเองดังนั้นจะนึกวาดภาพเอาอย่างไรก็ได้ แต่ผู้ที่เขาได้เคยผ่านมาด้วยตนเองแล้วยอมรู้ดีว่าความจริงเป็นอย่างไรและลองคิดดูก็ได้ว่าเหตุผลของผู้ที่เคยประสบมาด้วยตนเองกับของผู้ที่ใช้ความคิดนึกเดาเอาเองนั้นฝ่ายไหนควรจะมีน้ำหนักมากกว่ากันอันที่จริงถ้าเราลองใช้สามัญสำนึกดูว่าความเชื่อเรื่องวิ ญ, ญญาณคือตายแล้วไม่สูญนี้ย่อมมีความสาคัญในฐานะ เป็นแก่นของศาสนาทั้งปวงประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งศา ส, สนาย่อมมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เช่นนี้แล้วดูๆก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าทางการวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ถือหลักเหตุผลและความจริงเป็นใหญ่เหมือนกันจะละเลยความจริงที่เห็นได้ชัดเจนเช่นนี้ไปได้ข้อที่สี่ ส่วนมากประสบการณ์นอกกายเนื้อมาจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสุขใจและดีใจแก่ผู้ประสบถึง9 0 9ถึงมีอยู่บ้างประมาณ 5% ปอร์เซนที่ได้รับความตกใจกลัวเพราะคิดว่าตนกำลังจะถึงแก่ความตายแต่ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อข้อนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้อื่นฟังก็มาจะได้รับคำวิจารณ์ในทางที่ไม่เป็นมงคลซีเรื่ยย ข้าพเจ้าเคยแสดงปาฐกถาเรื่องนี้ในที่หลายแห่งเป็นจำนวนหลายครั้งและเกือบทุกครั้งก็มีผู้ฟังได้มาหาข้าพเจ้าเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้พูดเรื่องนี้เขากล่าวว่าเขาได้เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนและก็ไม่ทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีเพราะส่วนมากก็นึกเกรงว่าตัวเองจะกาลังเป็นบ้าอยู่ร่ำไปข้อที่ห้า ในบางรายประสบการณ์นอกกายเนื้อทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถบรรยายถึงสถานที่และเหตุการณ์ที่เกิดในระยะไกลออกไปมากได้อย่างถูกต้องเหลือเกินจนกระทั่งเราไม่อาจจะลงมติโมเมเอาง่า ย, ายว่าเป็นเรื่องบังเอิญจริงอยู่ความถูกต้องเที่ยงตรงเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแก่ทุกรายและทุกครั้งแต่การที่ยังมีความจริงไดถึงขนาดนั้นในบางครั้งก็เป็นที่น่าทึ่งอยู่ไม่ใช่หรือ และในกรณีเช่นนี้เราก็อาจอธิบายได้ว่าได้เกิดมีการรับสัมผัสโดยไม่ต้องอาศัยกายเนื้อในขณะที่เกิดประสบการณ์นอกกายเนื้อนั่นเองมีข้อบกพร่องอยู่สองประการในเรื่องที่ประสบการณ์นอกกายเนื้อมักจะเกิดขึ้นแก่คนโดยมากเพียงรังเดียวในชีวิตประการแรกก็คือบุคคลเหล่านั้น ไม่สามารถจะทำให้ปรากฏการเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นอีกได้ตามใจหวังและมาเป็นเช่นนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถจับตัวมาทดลองอีกได้ในห้องทดลองซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ควบคุมด้วยตนเองโดยตลอดประการที่สองก็คือเมื่อบุคคลดังกล่าวบังเอิญหลุดออกไปจากโลกนี้และเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว คือไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนก็ทำให้ไม่สามารถสังเกตการหรือสภาวะของสิ่งแวดล้อมใหม่นั้นได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนหมายถึงเพื่อให้สมใจนึกของพวกเราผู้ไม่มีโอกาสได้หลุดออกไปบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้รายงานที่เขากลับมาบอกแกเราจึงเป็นรายงานที่หยาบมากเราก็เกิดความตื่นเต้นซื้อบ้างและต้องเสียเวลาป ร, รับปรุงจิตใจให้เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม ที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เสียบ้างดังนั้นจึงไม่มีเวลามากนักที่จะสังเกตสิ่งแวดล้อมได้เต็มที่คือจะเอาให้เหมือนผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ในสมัยปัจจุบันยอมไม่ได้อยู่เองวิธีแก้ไขข้อบุกร่องในเรื่องนี้ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะลองทำดูก็คือเราต้องฝึกหัดบุคคลที่สามารถทาตัวให้หลุดออกจากโลกนี้ได้ตามใจนึกไว้ให้หลายๆคน และคนเหล่านั้นก็ควรต้องฝึกให้มีลักษณะเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีด้วยข้อความในหนังสือที่ท่านกําลังจะอ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยากมากคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์นอกกายเนื้อนับจํานวนหลายร้อยครั้งของบุคคลผู้อื่นผู้ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่ามีลักษณะเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีคนหนึ่งหนังสือประเภทนี้ไม่มีพิมพ์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว บุคคลผู้ที่เรากล่าวถึงนี้คือมิสเตอร์เอมอนโรเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการงานของเขามาแล้วเขาได้มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อประมาณ1ิปีมาแล้วเขามาจากตระกูลที่มีการศึกษาดีและมีสติปัญญาอยู่เหนือระดับเฉลีย่ยเขาเริ่มรู้มาตั้งแต่ในระยะแรกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติและเขาได้บันทึกเรื่องนี้ไว้อย่างมีระเบียบตั้งแต่ต้น ข้าพเจ้าจะยังไม่กล่าวมากไปกว่านี้เพราะเรื่องราวของเขาในหน้าต่อไปมีความพิสดาร น, น่าสนใจมากนอกจากจะขอกล่าวแต่เพียงว่านอกจากประวัติของเขาที่กล่าวมาแล้วเขาก็เป็นคนที่เราพอจะไว้ใจได้ในเรื่องความซื่อตรงในเรื่องนี้ข้าพเจ้าใกล้ขอแทรกความเห็นส่วนตัวไว้สักเล็กน้อยบุคคลส่วนมากเมื่อมีประสบการณ์อันทาให้เกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทางศาสนาก็มักจะน้อมใจนึกเชื่อไปตามที่ตนเคยมีพื้นจิตใจมาในทางนั้นเป็นการเพิ่มเติมไปโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้าเคยได้ประสบเรื่องเช่นนี้มาแล้วจากการที่ได้ซักไซสไล่เลียงกันอย่างจริงจังจะขอยกตัวอย่างเป็นเชิงสมมุติให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือบุคคลผู้หนึ่งรู้สึกว่าตัวของเขาได้หลุดออกไปจากกายเนื้อและได้ลอยขึ้นไปบนอากาศในกลางคืนของคืนหนึ่ง เขากำลังนึกประหลาดใจอยู่ในขณะนั้นก็พอดีเห็นร่างร่างหนึ่งอย่างเลือนลางอยู่ที่มุมห้องแล้วก็เห็นวงแสงสีน้ำเงินลอยผ่านร่างนั้นไปต่อจากนั้นเขาก็หมดความรู้สึกและกลับมาเข้าร่างเดิมใหม่ถ้าเขาเป็นผู้สื่อข่าวที่ตรงไปตรงมาคือไม่มีความเชื่ออย่างอื่นอยู่เบื้องหลังเขาก็จะรายงานให้เราทราบเพียงเท่านั้นแต่บุคคลส่วนมาก ผู้มีความเชื่อในทางศาสนาอยู่เป็นพื้นฐานจะไม่กล่าวแต่เพียงนั้นเขาจะกล่าวสอดแทรกความรู้สึกของเขาลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจว่าเมื่อคือนนี้พระผู้เป็นเจ้าได้กรุณายกวิญญาณของเขาให้พ้นไปจากกายเนื้อซึ่งเปรียบเสมือนหลุมฝังศพของวิญญาณและเขาก็ได้เห็นเท พ, พ ย, ยดามาปรากฏตัวอีกด้วยนอกจากนั้นเทพพ ย, ยดาก็ยังได้แสดงเครื่องหมายของโลกุจรธรรมให้เขาเห็นอีก เรื่องทํานองนี้มีไม่น้อยซึ่งข้าพเจ้าได้ผ่านมาและจากการกซักไซไล่เลียงกลับไปกลับมาก็ทราบว่ามีเรื่องเพิ่มเติมจากปากคําของผู้เล่าเองอยู่เสมอเพราะผู้เล่าประสบการณ์ของตนเองก็แยกไม่ออกว่าตอนไหนเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงและตอนไหนเป็นความรู้สึกของตนที่สอดแทรกเข้าไปด้วยอํานาจแห่งความน้อมใจเชื่อและด้วยเหตุนี้เองการที่เขาหลุดออกไปจากกายเนื้อได้ จึงกลายเป็นเรื่องที่เกิดจากพระมหากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าร่างที่เขาเห็นรางรงไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็กลายเป็นเทพพยายดาและวงแสงสีน้ำเงินก็กลายเป็นเครื่องหมายของโลคุจระธรรมไปด้วยโลคุจระธรรมหมายถึงธรรมอันไม่ใช่วิสัยของโลกหรือสภาวะพ้นโลกแต่มิสเตอร์มันโรผู้เขียนเรื่องต่อไปนี้ มีลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นเพราะเขาพยายามแยกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไว้ฝ่ายหนึ่งไม่พยายามให้ความน้อมใจเชื่อสอดแทรกเข้ามาปะปนเรื่องต่อไปนี้จึงมีค่าคนแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่งลักษณะที่ดีของมิสเตอร์มอนโรอีกประการหนึ่งก็คือเขายินดีให้ความร่วมมือกับทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองค้นคว้าอย่างจริงจังแต่ข้าพเจ้ามีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า โดยมากความร่วมมือของเขาไม่ค่อยจะได้รับการตอบสนองจากนักวิทยาศาสตร์ท้าพเจ้าเองเป็นผู้ที่ได้ใช้เวลาสอบสวนและทดลองอยู่กับเขาเป็นเวลานานและก็เป็นคนเดียวเท่านั้นเท่าที่ได้ทดลองกันมาก็เป็นเพียงขั้นต้นเท่านั้นแต่ก็ได้รับความรู้และทําให้เกิดความคิดหลายประการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในครั้งแรกกระทากันเป็นระยะหลายเดือนในระหว่างเดือนกันยายน รัชสมรรษ1965ถึงเดือนสิงหาคม1966ในระหว่างนั้นข้าพเจ้าได้ใช้เครื่องมือวัดคลื่นสมองของห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแพทย์เวอร์จิเนียได้มีการทดลองกันแปดครั้งในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งในระหว่างการทดลองเราได้เอาเครื่องมือวัดต่างๆต่อโยงเข้ากับร่างกายของมิสเตอร์มันโร จนลาดูราเกะระากะาไปหมดทั่วทั้งร่างกายพร้อมกันนั้นมิสเตอร์มนโรก็ได้ถูกขอร้องให้กระทำอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพื่อเป็นการทดสอบยุ่งไปหมดเครื่องวัดต่างๆซึ่งโยงเกาะและหนีบเข้ากับร่างกายส่วนต่างๆทำให้ไม่เป็นที่สบายแก่มิสเตอร์มนโรนักและสภาวะเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมดาซึ่งทำให้ปรากฏการนอกกายเนื้อบังเกิดขึ้นแก่เขาตามปกติประจาวันของเขา ในเจ็ดคืนแรกการทดลองไม่ได้ผลเลยทำอย่างไรอย่างไรปรากฏการนอกกายเนื้อก็ไม่เกิดขึ้นในคืนที่8มิสเตอร์มนโรกล่าวว่ามีปรากฏการดังกล่าวเกิดขึ้นสองครั้งครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งมิสเตอร์มันโรได้บรรยายไว้ในบทที่สแต่ก็ยังได้รับผลไม่เป็นที่พอใจในด้านวิทยาศาสตร์มีข้อสังเกตอยู่ว่าอัตราการเต้นของหัวใจ ยังอยู่ในสภาพปกติในระหว่างที่เกิดปรากฏการนอกกายเนื้อขึ้นคือประมาณ65ถึงเจสิครั้งจึงดูคล้ายๆกับว่าจะเป็นการฝันไปซึ่งมากกว่าอันที่จริงข้าพเจ้าก็ต้องสารภาพว่ายังไม่เคยได้ทดสอบภาวะ death like trance คือภาวะการหมดสติเสมือนตายที่มาเกิดกับในรายที่เกี่ยวกับการทรงวิญญาณบางรายยังไม่เคยทดลองเรื่องนี้ด้วยตนเอง จึงยังไม่ทราบว่าในสภาวะเช่นนั้นการเต้นของหัวใจเป็นต้นจะเป็นอย่างไรเป็นแต่เคยทราบจากหนังสือวิชาลึกลับทางตะวันออกว่าสภาวะการหมดสติเสมือนตายจนหัวใจหยุดเต้นเช่นนั้นจะต้องเกิดขึ้นเสมอในรายที่เกิดประสบการณ์นอกกายเนื้อเป็นเวลานานๆดังนั้นเมื่อดูอย่างเพลินๆประสบการณ์ของมิสเตอร์มอนโรอาจมีส่วนคล้ายกับความฝันอยู่บ้าง แต่ข้าพเจ้าก็ยังคิดว่าการที่จะสรุปผลว่าเรื่องของมิสเตอร์มอนโรก็คือความฝันอย่างหนึ่งนั้นอาจจะเป็นการรีบด่วนและมักง่ายเกินไปทั้งนี้ด้วยเหตุหลายประการเช่นประการแรกมิสเตอร์มอนโรเองยืนยันอย่างหนักแน่นว่าความฝันของเขาเป็นอย่างหนึ่งและประสบการณ์นอกกายเนื้อของเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งประการที่สอง หลังจากที่ได้เกิดประสบการณ์พิเศษเช่นนี้แล้วเขาจำเรื่องราวที่เขาฝันไม่ค่อยได้นักคือพอตื่นขึ้นก็มักลืมไปเสียส่วนมากประการที่สว่ากันในแง่ของสรีระวิทยาเกี่ยวกับความฝันตามปกติข้าพเจ้าก็คิดว่าในระหว่างที่มิสเตอร์มอนโรมีประสบการณ์นอกกายเนื้อนั้นความเคลื่อนไหวของในตาของเขา มีน้อยกว่าในกรณีความฝันโดยทั่วไปมากคือถ้าเป็นความฝันจริงแล้วอาการกรอกตาจะต้องมีมากกว่านี้มากทีเดียวประการที่ส Mr. มิสเตอร์มอนโรรายงานว่าประสบการณ์พิเศษของเขามักเกิดขึ้นในขณะนอนในเวลาคำ่ำเกือบจะทันทีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันโดยทั่วไป เพราะความฝันในขั้นนี้มักจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าที่ผู้นอนหลับนั้นจะได้มีโอกาสหลับโดยไม่ได้ฝันเสียก่อนเป็นระยะเวลา80ถึง90นาทีดังนั้นเราอาจกล่าวโดวยสรุปไว้พลางก่อนได้ว่าประสบการณ์นอกกายเนื้ออาจเกิดขึ้นในระยะนี้แทนความฝันก็เป็นได้ถึงแม้ว่าการทดสอบมิสเตอร์มอนโรจะยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจนัก ในทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ข้าพเจ้าเคยทดสอบในรายอื่นซึ่งเป็นหญิงสาวปรากฏว่าได้ผลดีมากหญิงสาวผู้นี้มีประสบการณ์นอกกายเนื้อบ่อยๆเช่นเดียวกับมิสเตอร์มอนโรแต่ทว่าในระหว่างนั้นคลื่นสมองของเธอมีลักษณะแตกต่างจากของมิสเตอร์มอนโรข้าพเจ้าเคยทดลองให้เธอถอดจิตออกจากร่างกายไปอ่านจานวนเลขต้าแหน่งคือจานวนหลักหมื่นจานวนหนึ่ง ซึ่งติดไว้บนชั้นสูงเกินกว่าที่จะขย่งมองดูเห็นได้ด้วยตาของกายเนื้อเธอก็สามารถอ่านได้ถูกต้องด้วยประสบการณ์นอกกายเนื้อของเธอเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนรายงานไว้ในวรารสาร journal of the american society for physical research เล่ม62หน้าที่3ถึง27แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังคิดว่าการพิสูจน์ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผล เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวน่าจะยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะยืนยันหรือคัดค้านโดยเด็ดขาดประสบการณ์เหล่านี้ทั้งหมดของมิสเตอร์มอนโรและของคนอื่นๆตลอดหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันและข้อมูลที่เกี่ยวกับการประจักษ์นอกเหนืออินรีหรือ esp ที่เราได้มีการบันทึกไว้ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแสดงว่าความรู้ในเรื่องโลกและชีวิตของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ยังแคบมากซึ่งทั้งนี้ก็หมายความว่าอนาเขตของความจริงยังมีอยู่อย่างกว้างขวางเกินกว่าความสามารถและความรู้ของเราในปัจจุบันนี้มากดังนั้นการที่เราจะหวังให้การทดสอบของเราต้องเป็นไปนดังที่ตั้งกดเกณขึ้นมาเองนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกต้องนักมนุษย์เรามีธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งนักจิตวิทยาเห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนมาก คือนิสัยที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายเรียกว่าเราชอบขอให้อะไรๆเหมือนเดิมอยู่เสมอเมื่อเราคิดว่าโลกชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราก็อยากให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปแม้เราจะรู้อยู่ว่ามันไม่ค่อยจะถูกใจเรานักก็ตามการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาแทนที่เมื่อมีรู้ว่าอะไรแน่ที่จะเกิดขึ้นเราก็กลัวว่า มันจะทำให้สิ่งที่เราคุ้นหรือชินกันอยู่แล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปหนึ่งเรื่องเช่นนี้จะเป็นจริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ขัดกับความอยากความต้องการและศักดิ์ศรีของเราที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการแสดงความเห็นในแง่ของวิทยาศาสตร์อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสาหรับคนส่วนมาก ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจยอยู่บ้างเพราะเรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เกี่ยวกับความตายซึ่งในสังคมของเราก็ถือกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพคือเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลที่จะพูดถึงโดยปกติเราก็ปัดเรื่องความตายไปให้พระเสีหมดถ้าจะพูดกันก็เป็นเรื่องในแง่ตลกขบขันซสียมากกว่าถ้าเราจะคิดถึงความตายบ้างก็มาจะคิดไปในแง่ที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคล และอ่านที่จริงเราก็ไม่ค่อยจะอยากนึกคิดอะไรนักคือเราคิดว่าเรื่องเช่นนี้ทํำลืมๆเสียดีกว่าแต่หนังสือเล่มนี้จะทําให้ท่านคิดถึงความตายมากขึ้นท่านอาจจะไม่ชอบคบําบรรยายในหนังสือเล่มนี้หรือแนวความคิดบางอย่างของหนังสือเล่มนี้ก็ได้บางท่านคงอยากจะคิดว่ามิสเตอร์มอนโรผู้เล่าเรื่องนี้เป็นคนบ้า แต่ข้าพเจ้าใคร่ขอให้คาเสนอแนะว่าไม่ควรคิดเช่นนั้นอันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ได้แนะนำให้ท่านเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีคือเห็นอะไรก็เล่าสู่กันฟังอย่างตรงไปตรงมาไม่ต่อเติมเสริมแต่งลักษณะนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพและยืนยันมณะที่นี้อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนเดียว ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาในแนวหนึ่งโดยเฉพาะดังนั้นความสามารถในการสังเกตและส่งข่าวของเขาก็อาจยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ทีเดียวแต่ยังน้อยเราก็อาจจะศึกษาอะไรได้หลายอย่างจากรายงานของเขาเหมือนกันถ้าท่านเคยมีประสบการณ์นอกกายเนื้อนี้มาบ้างด้วยตนเองหนังสือเล่มนี้ก็จะทําให้ท่านมีความกลัวลดน้อยลงหรือไม่ก็ทําให้ท่านสามารถพัฒนาคุณสมบัติ ที่ซ่อนอยู่ของท่านให้เจริญขึ้นได้อีกมากเพราะเขาได้บอกหลักเกณฑ์ในการพัฒนาความสามารถช น, นิดไว้ด้วยในบทที่16และ17ซึ่งอยู่ในเล่มสองนะครับข้าพเจ้าไม่อาจรับรองได้ว่าวิธีการเช่นนั้นจะได้ผลแก่ผู้อื่นหรือไม่และเพียงไรแต่ถ้าท่านพยายามทำอย่างจริงจังและได้ผลสาเร็จขึ้นบ้างข้าพเจ้าก็ใกรขอทราบผลแห่งความพยายามของท่านถ้าทุกท่าน ที่จะรับประโยชน์จากแบบฝึกหัดดังกล่าวช่วยการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยเล่าถึงประสบการณ์ของท่านให้ข้าพเจ้าฟังบ้างเราก็จะได้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งขึ้นอีกมากในที่นี้ท่านลงที่อยู่ไว้ด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันท่านน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับขอให้ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความสนใจและถ้าท่านคิดว่าต้องการมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้บ้างก็ขอให้ทดลองดู ซึ่งขอให้ท่านมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้บ้างและขอให้ประสบโชคดีด้วยเถิดลงชื่อชาลส์ทีชาร์ตเมืองเดวิสแคลิฟอร์เนีย10มกราคมพุทศักราช1971สำหรับชาลส์ทีชาร์ตนั้นเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นจิตแพทย์เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสานึกเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสาขา จิต ว, วิทยาข้ามบุคคลคือ transpersonal จิต ว, วิทยาที่รวมเอาแง่มุมทางจิตวิญญาณและเหนือธรรมชาติของประสบการณ์ของมนุษย์เข้ากับกรอบของจิต ว, วิทยาสมัยใหม่ transpersonal ถูกกำหนดให้เป็นประสบการณ์ที่ความรู้สึกของตัวตนหรือตัวตนขยายออกไปเกินกว่าบุคคลหรือส่วนบุคคลเพื่อครอบคลุมแงม่มุมที่กว้างขึ้นของมนุษยชาติชีวิตจิตใจหรือจักรวาล นอกจากนี้ยังถูกกำหนดให้เป็นการพัฒนาที่เกินกว่าระดับทั่วไปส่วนบุคคลหรือระดับบุคคลรวมถึงการพัฒนาตนเองทางจิตวิญญาณประสบการณ์สูงสุดประสบการณ์ลึกลับวิกฤตการณ์ทางจิตวิญญาณวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเป็นต้นโดยจะอธิบายและบูรณาการประสบการณ์ทางจิตวิญญาณภายในทฤษฎีทางจิตวิทยาสมัยใหม่และเพื่อกำหนดทฤษฎีใหม่เพื่อครอบคลุมประสบการณ์ดังกล่าว งานที่เด่นของท่านคือการทดลอง OBE ประสบการณ์นอกร่างกายและมีผลงานเป็นหนังสือไว้มากมายรวมถึงได้รับรางวัลเช่นรางวัลของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันจากผลงานที่โดดเด่นในการสะกดจิตทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลจากอับราฮัมมาสโลอเวิร์ดจากผลงานที่โดดเด่นและย่งยืนในการสำรวจจิตวิญญาณมนุษย์ที่กลายออกไปรางวัลผลงานแบบบูรณาการจากสมาคมพาราไซโคโลจิคอเป็นต้น สำหรับประวัติการศึกษานั้นท่านได้รับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโลเลนาต่อมาได้ตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาถึง28ปี